บางทีเราเป็นคนระดับผู้บริหารนะครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยข้าไปเรียนธรรมะนะเราก็ต้องวางใจนะเหมือนเราเป็นเนนเป็นเด็กนะเราเอาความเป็นผู้ใหญ่ของเรามาเรียนธรรมะนะเรียนยากพระเจ้าท่านเคยสอนนะคนที่อายุเยอะขึ้นมา ว่าง่ายสอนง่ายมียากมียากนะไม่ค่อยมีมีพระองค์หนึ่งคือพระราธะบวชมา่ออายุเยอะได้รับยกย่องมากเลยเป็นพระอิรทักขาองค์หนึ่งว่าง่ายสอนง่ายภาษาริบุตรไปรูปรชาให้ทีแรกพระราธานะเป็นคนแก่ไปขอบวช ท, ที่ไหนก็ไม่มีใครรับไม่มีใครอยากไปรูประชา อ, อุปชากับลูกศิษย์เนะี่ยมีภาระต่อกันมากนะไม่เหมือนอุปชายุคนี้หรอกบวชบวชเราก็ไม่รู้จักหรอกชาตก่อนนะต้องดูแลลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี่นะก็ต้องดูแลนะทิ้งกันไม่ได้นี่พอคนแก่มากจะมาบวชนะไม่มีใครอยากภนะาระ พระเจ้าท่านก็ถามในหมู่สงฆ์ว่าใครเคยนึกได้บ้างไหมว่าราชาเนี่ยมีอุปการะอะไรบ้างไหมสารีบุตรท่านบอกท่านจําได้ราชาเนี่ยเคยใส่บาตรท่านทัพีหนึ่งคือท่านเป็นคนที่กตัญญูสูงภระารีบุตรใส่บาตรทัพีหนึ่งท่านจําได้ท่าก็บวชให้วบวชแล้วก็สอน บางทีพระราธาก็ไปถามพุทธเจ้าว่างอะไรบ้างเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนจะเป็นพระอรหันต์นะพุทธเจ้าก็ถามพระสรัตยบุตรว่าพระราธาเนี่สอนยากไหมอายุเยอะกติเซลจั่นะแกะ่ยิ่งแก่ยิ่งเซลจัดนะั่นเป็นเรื่องแปลกสัตยบุตรบอกว่าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยว่าง่ายสอนง่ายถ้าท่านมีโลกสิน์แบบพระราธะ ร้ อ, องก็ยังสอนไหวนีครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านก็พูดเหมือนๆกันเวลาเราเข้าไปเรียนธรรมะเราต้องลืมสถานะทางโลกของเราถ้าเรากลางเขี้ยวกลางเล็บเข้าไปเรียนนะธรรมะมนหนีหมดนะธรรมะก็กลัวเขี้ยวกลัวเล็บเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าสอนสอนบางทีมันกระทบกิเลส แล้วก็ทบกิเลนทิ่โมโหขึ้นมาท่านก็ไม่อยากให้ใครโมโหหรอกไปโมโหท่านอนะันปรับกรรมมันมากท่านก็ใช้วิธีโอโรมปฏิโลมอ่ะดีแล้วดีแล้วทำทำไปอีกหน่อยไปเจอพระเสียระยะยเมตใจเขาไปเรียนต่อเอาก็แล้วกันนีเวลาเราเรียนธรรมะนะไม่ว่าจะอายุขนาดไหนนะบางคนยังหนุ่มยังสา ว, สวาก็เซลจัดเหมือนกัน คนรุ่นเราเนี่ถูกสอนให้เชื่อมั่นตัวเองสูงเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของคนรุ่นเราเชื่อมั่นตัวเองมากเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นใช่เหตุผลตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยมีข้อมูลเลนี่ยลักษณะอาภัพของคนไทยเลยนะเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นแต่ไม่มีข้อมูลไม่สนใจเรื่องข้อมูลเลยไม่ศึกษาเท่าไรหร่หรอก มันค่อนข้างความคิดความเห็นค่อนข้างว่างเปล่าหาสาระไม่ค่อยได้หรอกในกระบบการศึกษาของเราเนะี่พูดกับนักการศึกษาหน่อยเราเคยเป็นแชมป์เหมือนกันนะตอนนี้เราไปแชมป์อันดับสิบในอาเซียนนะยิ่งเรียนยิ่งแย่ลงแย่ลงนะยิ่งเรียนเด็กยิ่งใช้ไม่ได้มากขึ้น เราเรียนแบบลืมรักเงาของตัวเองระบบการศึกษาเราถ้าเป็นต้นไม้มันเป็นต้นไม้แบบไม่สนใจรักแก้วไม่มีรักแก้วมีแต่รักฝอยฝอยเก่งเวลาเรียนธรรมะนะเราก็ต้องเรียนให้ได้ได้รักแก้วให้ได้แก่นเข้ามาเรียนธรรมะนะต้องเรียนด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมใจที่เปิดกว้างต่อธรรมะ ไม่ใช่เรียนเพื่อมาคอยจ้องครูบาอาจารย์นะแต่เรียนเพื่อจะฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบางคนก็คอยจ้องจับผิดครูบาอาจารย์ไปเรื่อยเลยนี่เราเรียนธรรมะนะเราดูเนื้อหาสาระของครูบาอาจารย์ที่สอนว่ามันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าถ้าตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนก็ค่อยเชื่อเอา ถ้าไม่ตรงก็อย่าไปเชื่อเอาแต่ไม่ต้องไปด่าหรอกนะด่าดีไม่ดีท่านเป็นพระอริยะนะแต่เพียงแต่ท่านพูดไม่เป็นสอนไม่เหมือนปริยนะัติเราจะไปว่าท่านเนี่ยก็บาปกรรมจะเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะไปฟังดูอย่างถ้าเราได้ยินใครสอนนะว่าจิตเที่ยงเราก็ใบ้ยบ้ได้เลยจิตเที่ยง พระพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตไม่เที่ยงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนสอนเรื่องว่านิพพานแล้วเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมีรูปประธรรมนามธรรมนะก็ใ บ, บายได้ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนิพพานไม่ได้มีรูปมีนามไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีดินน้ำไฟลมก็คือไม่มีรูป ไม่มีอากาศานัญจยตนาวิญญาณัญจยตนะอากินจัญญยตนาเนวสัญญานาสัญญยตนะไม่มีนามนี่คือนมามธรรมท่านนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองเลยนะก็ฟังสนุกสนุกไปแต่บางคนนั่งสมาธิก็เห็นนะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรอันนั้นไม่ใช่ตัวพระนิพพาน เวลาที่ครูบาอาจารย์หรือท่านที่ภาวนาเก่งพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยท่านจะปรินิพานเนี่ยไม่มีพลังงานที่ทิ้งไว้ในโลกไม่ต้องเอาไปนิพานด้วยแล้วพลังงานที่ท่านอธิฐานไว้ช่วยโลกช่วยชาวพุทธช่วยลูกศิษย์ลูกหาอะไรมันมีจิตเราสงบนะจิตเราก็สัมผัสกับพลังงานนั้นได้แล้วจิตเราก็แปลพลังงานนั้น จากพลังงานซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเนะ่ะแรงสร้างรูปขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นผูาา้ได้เจ้าอะไรขึ้นมาจิตเราเลยสร้างขึ้นมาจิตเราสร้างขึ้นมาแล้วนะธรรมะก็ถ่ายทอดมาสู่ใจเราได้เหมือนกนท่านเทศให้ฟังอี่ยว่าแต่ครูบาอาจารย์นิพพานเราเลยนะพวกเรามาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆเลยภาอนาติดขัดนะเห็นหลวงพ่อไปสอนหนะลวงพ่อนอนอยู่ที่วัดไม่คยไปไหนหอก S <S <S นะเราก็แค่แผ่เมตตาไปอะไรไปนะแผ่ไม่รู้ว่าใครรับหรอกเหมือนเครื่องส่งวิทยุนะใครรับได้ก็รับไปเวลาเรียนธรรมะเราต้องดนะูรู้หลักคำสอนที่สำคัญสำคัญของพระพุทธเจ้า <S <S <S เรื่องสมถะทำยังไงมีปัสนาทำยังไงนะเรียนเรื่องอริยสัจสี่ เรียนเรื่องไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาเรียนเรื่องขันห้านะรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียนเรื่องอายตนาหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนเรื่องสติปัฏฐานสนะี่นี่เรื่องหลักๆมีไม่มากเท่าไหร่ปฏิจจสุ บ, บาร์เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แล้วภาวนาเราจะเห็นเองเรียนมากไม่เห็นหรอก ปฏิจจสมบัทิคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้ไม่ใช่ของจริงเ้าเห็นสภาวะจริงๆฝึกหัดกับหลวงพ่อนะไม่นานหรอกก็จะเริ่มเห็นปฏิจจสมบับาทา ท, าทั้งๆที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้พูดถึงปฏิจจสมบัติแตเราจะเห็นเองเราจะเห็นท่อนท้ายก่อนเราจะเห็นตอนที่ตาเห็นรูปความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้น ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นจิเลตเข้าแทรกตัณหาก็เกิดขึ้นนะตัณ ห, หาคือความอยากเกิดขึ้นจิตกุทะยานเข้าไปยึดถืออารมณ์ต่างๆนะเรียกว่าอุปาทานไปยึดแล้วก็ไม่ได้ยึดเฉยๆนะจิตก็มีการเสพอารมณ์ดิ้นรนไปต่างๆนานาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอันนั้นเรียกว่าภพ จิตก็จะไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเอารูปเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวเราของเราเรียกว่าชาติทันทีที่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาหยิบรูปนามขึ้นมาอันนั้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเพราะตัวที่ทุกข์ก็คือตัวรูปนามนะรูปนามแยกออกเป็นขันธ์ห้าก็ได้กระจายออกไปในแบบอายตนะหกก็ได้ กระจายเป็นอินทรีย์22อย่างก็ได้กระจายออกเป็นธาตุ8อย่างก็ได้เราไม่ต้องเรียนมากมายขนาดนั้นหรอกเรารู้หลักว่าเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วไม่รู้สึกอยู่เฉยๆเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนเราคอยดูกายป็นทางาน คอรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจพอเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมากเข้ามากเข้านะความรู้ที่ถูกต้องในทางธรรมะก็จะเกิดขึ้นเองนี่เป็นความแปลกของธรรมะนะไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกรู้วิธีที่จะปฏิบัตินะช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทําความสงบ จิตสงบแล้วก็อย่าสงบเฉยฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูพอเป็นคนดูได้ก็ดูกายม็นทำงานดูใจมันทำงานอย่างเราดูใจมันทำงานแล้วเราก็จะเห็นอะไรเราจะเห็นเลยว่าตัณหาเกิดที่ไรมีสมุทัยเกิดเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีหรือเราจะเห็นปฏิจจสุบาปเราฝึก รู้สึกตัวนะเห็นกายเห็นใจทำงานล้วก็จะเริ่มเห็นนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิด น, นึกนะที่จะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดได้ที่กายนะความรู้สึกเฉยๆเกิดเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยเกิดที่ใจเวทนาเนี่ยในอายตนาทั้ง6เนี่ยเกิดไม่เท่ากันเวลาที่ตาเห็นรูปเนี่ยมีแต่อุเบกขาเวทนาแต่พอตาเห็นรูปแล้วมีการให้ค่ามีการแปลกความหมายถึงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยเฉยขึ้นทางใจแต่ทางตาที่มองเห็นรูปเนี่ยมีแต่อุเบกขา แต่ถ้าเอาไม้จิ้มตาตาเจ็บอันนี้ไม่ใช่อายตนะตาละตานั่นเป็นร่างกายไปแล้วเป็นกายร่างกายเนี่ยมีสุขมีทุกข์ได้แต่ถ้าลูกตาในฐานะการเครื่องรับภาพเวลาที่รับภาพตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีสุขมีทุกข์อะไรหูได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงก็ เ, เป็นอูเบกขา ไม่มีสุขมีทุกข์อะไรแต่ถ้าไม้แทงหูนะหูตรงนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะของหูแล้วแต่อยู่ในสถานะของกายมีของกระทบมีโผฏฐะมากระทบเกิดสุขเกิดทุกข์ได้นะส่วนทางใจเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยเฉยได้ทางกายมีสุขมีทุกข์นะทางตาหูจมูกลิ้นตาหูจมูกลิ้นนะมีแต่อุเบกขา พอตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์นะเกิดเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆขึ้นมาเวทนาเกิดเนี่ยถ้าความสุขเกิดขึ้นราคะมักจะแทรกถ้าเราไม่มีสตินะราคะจะแทรกราคะจะแทรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเกิดความอยากไปตามอานาจของราคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้ดารงอยู่นาน เวลาโทสะแทรกนะเวลาทุกเกิดทุกขึ้นมาโทสะจะแทรกเราก็จะเกิดความอยากอยากให้มันหมดไปอยากให้มันสิ้นไปนะเวลามีความอยากเกิดขึ้นใจจะมีความดิ้นรนเกิดขึ้นทุกคราวที่มีความอยากใจจะมีความทุกข์เมื่อเราค่อยๆหัดรู้นะหัดดูของจริงไปสุดท้ายวันหนึ่งเราจะเข้าใจปฏิจจสุบบาท เบื้องต้นระดับพระโสดาสกตักาคาอะไรเนี่ยกระทั่งพระอนาคานะยังไม่เข้าใจปฏิจจสมบัติส่วนต้นอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปอะไรเนี่โดยเฉพาะตัวอวิชชาไม่เข้าใจตัวอวิชชาถ้าวันใดเข้าใจตัวอวิชชาจะเป็นพระอระหันต์ละ เข้าใจตัววิชาก็ เ, าเกิดวิชาทำลายอาวิชชาไปความรู้ความเข้าใจเหล่านี้นะจะเกิดขึ้นเองขอให้เราปฏิบัติให้ถูกวิธีเท่านั้นเองช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาช่วงไหนจิตสงบดีแล้วก็อย่าสงบอยู่เฉยๆมาฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆนะ ให้น้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะหมายถึงอาศัยสติคอยระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายอาศัยสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจจิตนะ่ะตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะถ้ามีสติระลึกรู้รูปนามมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูปัญญาจะเกิดขึ้นเองเกิดเองนะไม่ได้ให้เกิด ไม่ได้สั่งสั่งไม่ได้ปัญญาจะเกิดเองถ้าจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิรู้สติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงเราจะเห็นรูปนามนั้นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวก็าหายไปนี่มันไม่เที่ยงความโกรธจะเกิดก็เกิดได้เองเราไม่ได้สั่งให้เกิด ขนาดห้ามว่าอย่าโกรธก็ยังโกรธได้ความโกรธไม่อยู่ในอำนาจนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าเห็นอนัตตาความโลภก็เหมือนกันเกิดขึ้นมานะห้ามมันก็ไม่ได้เกิดมาแล้วไล่มันก็ไม่ไปถ้ามันจะเกิดมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะ การที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ะเป็นตัวปัญญาชั้นเลิศเรื่องว่าวิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วนะวิปัสนาปัสนะแปลว่าเห็นแปลว่าการเห็นวิก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องวิปัสนาปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการเห็นอย่างถูกต้อง เห็นของจริงอาศัยวิปัสสนาปัญญานี้แหละจะซักฟอกจิตให้พ้นอำนาจครอบงำของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลส ช, ชั้นละเอียดที่สุดคือความโง่ของเราเองกิเลสมีหลายระดับนะกิเลสโลภโกรธหลงหวือหวาอะไรนี่เป็นกิเลส ช, ชั้นต่ำเลยหยาบหยาบกิเลสระดับกลางเรียกว่านิวรนเป็นตัวปิดกั้นทําให้สมาธินะีไม่สมบูรณ์ สมาธิเสื่อมกิเลสชั้นละเอียดก็คือความโม่ของเราเองนี่เองเพราะงั้นทําเมืไรเราจเจริญวิปัสสนานะรู้ความจริงของรูปนามกายใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปวันหนึ่งวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นเห็นรูปนามนั้นเป็นไตรลักษณ์อย่างทองแท้กระใจจิตก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เป็นกลาง ความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางเพราะรู้ว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางเพราะรู้ว่าเป็นของชั่วคราวการที่เราเดินวิปัสสนามากๆนะสุดท้ายจิตมีปัญญาแก่กล้ามีวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นมาจิตจะสู่ความเป็นกลาง เพราะมีปัญญานะจุดที่จิตเป็นกลางเพราะมีปัญญานี้แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคก่อนที่จะบรรลุอริยมรรคในแต่ละขั้นตั้งแต่โสดาปติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหาตาัตมรรคเนี่ยจิตจะต้องเข้ามาสู่ความเป็นกลางทุกรอบไปแต่ความละเอียดลึกซึ้งนั้นไม่เท่ากันเท่านั้นเอง เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยจิตมีความเป็นกลางอัตโนมัติจิตไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไม่ฟูไม่แฟบนะไม่กระเพิ่มขึ้นไม่กระเพิ่มลงไม่ฟูไม่แฟบรู้อยู่สักว่ารู้สักว่าเห็นรู้อย่างเป็นกลางพวกเรามักจะได้ยินหรือบางทีเราก็พูดว่าหมูนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นอันนั้นพูดเล่นหรอก จิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้แท้แท้นะเมื่อจิตมีปัญญาในระดับที่เรื่องว่าสังขารู้เปรกขายานเป็นมิปัสนาปัญญาชั้นสูงนะเรียกสังขารู้เปรกขายานมีปัญญา่งกระทั่งเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเมื่อจิตไม่กระเพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงจิต ท, ที่ไม่ทำงานต่อไม่มีการดิ้นรนทำงานรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริง เพราะว่ามีปัญญานะไม่ใช่เพราะสมาธินะถ้ารู้แล้วจบลงที่รู้เพราะสมาธิใช้ไม่ได้หรอกพอสมาธิเสื่อมมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกแต่ถ้าเพราะปัญญาเนี่ยรู้แล้วมันจบลงที่รู้มันสักว่ารู้สักว่าเห็ น, นจริงไม่เติมอะไรลงไปในการรับรู้นะรู้อย่างซื่อตรงเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงจะเห็นความจริงได้อย่างถ่องแท้ เมื่อบุญเราบารมีเราแก่กล้าพอนะจิตมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจิตจะหมดความสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายจิตจะรวมลงที่จิตอันเดียวเพราะจิตเนี่ยไม่กระเพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผลัพธ์ได้แล้วเมื่อจิตรวมลงที่จิตนะจิตจะเข้าฌาน เข้าฌานนะทั้งที่เราเกิดมาเข้าฌานไม่เป็นนะ่ะเราเดินวิปัสสนาไปเรื่อยถึงจุดที่เขาพอจิตจะเข้าฌานของจิตเองเพอเข้าฌานแล้วนะั้นจ ะ, จ, ะจิตจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตฌานตัวนี้เรียกว่าลักขณูปนิฌานด้วยนะเพราะฉะนั้นจิตที่ถึงฐานเนี่ยสำคัญตลอดสายของการปฏิบัติในในขั้นเดินปัญญาเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเลื่อนออกไปจับอยู่ที่อารมณ์นั้นได้แต่ความสงบ จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตตรงนี้เวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วตั้งมั่นในระดับฌานนะถ้าอย่างที่พวกเรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อะไรเนี่ยไม่ถึงระดับฌานนะมันตั้งมั่นด้วยคณิกะสมาธิเป็นขณะขณะเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลดะนั้นตั้งทรงอยู่เลยจิตเข้าฌานเรียกลักขนูปนิชานโดยไม่เจตนานะทรงอยู่กับจิต สติระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาระลึกปัญญาเห็นความจริงภายในจิตโดยไม่เจตนาจะเห็นมันจะเห็นสภาวธรรมนะสติจะระลึกรู้สภาวธรรมความปรุงแต่งชั้นในสุดเลยมันจะไหวขึ้นมาสองขณะสามขณะถามว่าอะไรไหวขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรไหวเห็นแต่ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไป ไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกเพราะขณะนั้นไม่ได้มีสมมุติบัญญัตินะมีแต่สภาวะแท้แท้มีแต่ปรมาธรรมแท้แท้เลยไม่มีสมมติบัญญัติเพราะงั้นไม่มีชื่อเราจะรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะสองขณะบ้างสามขณะบ้างพวกที่มีปัญญาแก่กล้านะเห็นสองขณะพอแล้วพวกที่ปัญญาไม่แก่กล้าเห็นสามขณะเมื่อมันเห็นจริงแล้วนะจิตจะถอนตัว ออกจากการรู้สภาวะของรูปรธรรมนามธรรมาอันนี้มันจะเป็นลงไปนามธรรมา ท, ที่ในจิตนะจิตจะถอนตัวออกจากนามธรรมาอันนี้ตรงที่จิตจับอยู่กับ น, นามธรรมายังเป็นปุถุชนอยู่ตรงที่จิตถอนตัวออกมาเนียยังเข้าไม่ถึงธาตุแท้ของธรรมหรือจิตแท้ยังไม่ใช่พระริยะช่วงนี้เป็นช่วงแวบเดียวนะเรียกว่าโคตรภู โคตรภูเป็นการข้ามโคดข้ามจากโคดปุถุชนมาสู่โคดของอริยบุคคลเหมืเราเดินไปเจอท้องล่องกว่างหน้าอยู่เรากระโดดข้ามท้องล่องในขณะที่โดดข้ามท้องล่องนะั้นเท้าเราพ้นจากฝั่งนี้อีกเท้าหนึ่งยังไม่ได้แต่อีกฝั่งหนึ่งยังเป็นช่วงรอยต่อโคตรภูคือช่วงรอยต่อระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลช่วงขณะเดียวเท่านั้นเองตรงนี้แวบบเดียวเหมือนเราโดดปุ๊บถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้ว เมื่อจิตข้ามตรงนี้แล้วนะจิตเข้ามาถึงธาตุรู้แท้แล้วอย่างพวกเรายังไม่มีธาตุรู้แท้ถึงธาตุรู้แท้มีก็ไม่ปรากฏหรอกนะมีแต่ว่ามีจิตที่ยังติดข้องอยู่ในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายเมื่อจิตเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่นะอาสวะกิเลส ท, ทั้งหลายที่ห่อพุ่มจิตเคยห่อพุ่มจิตอยู่เนี่จะถูกแหวกออกถูกแหวกออกนะจิตจะเข้าสู่ ธาตุธาตุรู้แท้ๆตัวนี้มันจะแหวกออกช่วงที่แหวกออกเนี่ยคือช่วงแห่งการเกิดอริยมรรคมันทําลายสังโยชนะ์แหวกอาสวะกิเลสที่ห่อพุ่มจิตอยู่ออกไปทไําลายเข้าไปทํำลายสังโยชกิเลสเบื้องลึกเลยที่เป็นตัวผูกพันเราไว้ในในโลกสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกพันสัตว์เอาไว้ในภพต่างๆนะจะถูกทําลายลงไป สังยอดเบื้องต้นคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะความลังเลสงสัยในพระราตนตะรัยแล้วก็ความงมงายทำอย่างนี้ดีทาอย่างนี้ดีรู้ว่าต้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆถ้ายังคิดจะทำอยู่ยังไม่ใช่หรอกนะรู้รู้ทางที่ปฏิบัติ เนี่ยสังยชตัวสามตัวนี้นะสักยติทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศีลพัตตรปารมา m a การถือศีลบำเพ็ญพรสแบบงมงายแล้วถูกทำลายไปเนะมื่อทำลายเสร็จแล้วเนี่ยจิตจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิที่จริงสัมผัสพระนิพพานมาตั้งแต่อริยมรรคแล้วนะแต่จะว่างานยังไม่เสร็จงั้นตรงที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโลกุตละเหต ตที่เป็นอริยอริยผลเรโกโลกุตตะละผลเมื่อจิตสัมผัสพระนิพพานเนี่ยนะสัมผัสไม่นานสองสมขณะพวกที่อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยสัมผัสพระนิพพานสจังหวะพวกที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าสัมผัสอสองงั้นพระโสดามีหลายชนิดบางพวก เกิดอีกหลายชาติบางพวกเกิดอีกไม่กี่ชาติบางพวกเกิดอีกชาติเดียวนะมีหลายจําพวกแล้วแต่กําลังเนะมื่อจิตสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิแล้วนะจิตจะถอนออกมากลับมาสู่โลกมนุษย์ธรรมดานี่เองอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะเนี้แล้วจิตจะวกกลับเข้าไปดูใหม่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรถูกฆ่าตายสิ้นเชิงไปแล้วไม่เกิดอีกแล้ว ไ ม, ไม่มีกิเลสอย่างนั้นอีกแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่นะจิตนจะเข้าไปทวนไปดูนะงั้นถ้าอยู่ๆเกิดวูบไปแล้วโล่งสบายเลยไม่มีทบทวนไม่มีอะไรเลยนะต้องรู้นะติดพบใดพบหนึ่งแล้วเวลาที่จิตเกิดอริอยมรรยผลนะออกมามันจะทวนกลับทันทีเลยมันจะไม่นิ่งนอนใจนอนแช่หลือเกิดอะไรวะอะไรเงี้ยมันะจะรีบกลับไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรล้างแล้วไม่ล้าง งั้นถ้าอยู่อยู่ภาวนาแล้วใจโล่งว่างแลว่างอยู่เฉยๆนะไม่เคยดูกิเลสเลยนะของปลอมนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะเม่เกิดขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งถึงครั้งที่สี่อาสวะจะเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้อีกแล้วครั้งที่หนึ่งสองสามเนี่ยแหวกออกไปนะแวบเดียวกลับมาคลุมใหม่อาสวะกิเลสกลับมาคลุมจิตอีก ทั้งที่สี่่ขาดแล้วขาดเลยนะมันจะเกิดสภาวะที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยมีการสภาวะที่ถ้าภาษาบัญญัติจะกสภาวะแห่งการคืนจิตให้โลกคืนจิตให้โลกนะถ้าจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดธาตุรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นีถ้าภาษาปริยัติฝ่ายเทรวาทเรานะจะเรียกว่ามหากริยาจิต ทางฝ่ายมหายาณเขาก็เรียกว่าจิตเติมแท้บ้างจิตหนึ่งบ้างเลยมั้งหลวตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุสมเด็จพระญาณสั ง, งวรท่านเรียกวิญญาณธาตุไม่เป็นธาตุนะเป็นธาตุชีวิตที่เหลืออยู่นะเป็นชีวิตที่มีความสุขอันมหาศาลนะทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับความทุกข์เข้าได้เฉพาะถึงร่างกาย แต่ความทุกข์เข้าไม่ถึงจิตเลยเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการที่เรารักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทํางานอย่างที่มันเป็นสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้จะมาเองไม่ต้องดิ้นหนนค้นคนว้านะดิ้นให้ตายก็ไม่ได้หรอกยิ่งดิ้นยิ่งไม่ได้นะงั้นศีลด่างพร้อยรักษาไว้ก่อน จิตใ จ, ใจยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาคอยรู้ทันมันจะได้กลับมาตั้งมั่นตั้งแล้วก็อย่าบังคับมันไว้อย่ารักษามันไว้ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกดีกว่าตั้งแล้วไม่ให้ไหลนะจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆซื่อบือ้อดูกายทํางานดูใจทํางานไปแล้วกระบวนการที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเกิดเองนะจะเกิดขึ้นมาเองเอาวันนี้ไปกินข้าวได้แล้วไปนิมนต์นะครับนิมนต์